ไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยเล่มที่17พระสุตันตปิฎกสังยุตตนิกายขันธวารวักพระสุตันตปิฎกสังยุตตนิกาย ขันธวารวัชขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งขันธสังยุตมูลปัญ น, นาตหนึ่งนะกุลปิตุวัชหมวดว่าด้วยนะกุลปิตาขหาบดีหนึ่งนะกุลปิตุสูตรว่าด้วยนะกุลปิตาขหะบดี ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะเพษกะลาวันสถานที่พระราชทานอภัยแก่หมูเนื้อเขตกรุงสูงสุงมาลคิระแคว้นพัก ค, คะครั้งนั้นนักกุลปิตาขหาบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาตแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า แต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นผู้ชราสูงอายุเป็นผู้เฒ่าล่วงการมามากผ่านวัยมามากมีกายกระสับกระสายเจ็บป่วยประจำพระผู้มีพระภาคและภิกษุทั้งหลายผู้เป็นที่เจริญใจข้าพระองค์ก็ไม่ได้เห็นเป็นนิดขอพระผู้มีพระภาคโปรดโอวาทโปรดสั่งสอนข้าพระองค์ด้วยพระดํารัสที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อคูร เพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ตลอดกาลนานเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้าบดีเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นข้าดีเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นความจริงกายนี้กระสับกระสายเป็นดังฟองไข่มีเปลือกหุ้มไว้อันหนึ่งบุคคลผู้บริหารกายนี้อยู่พึงรับรองความไม่มีโรคได้แม้เพียงครู่เดียวจะมีอะไรเล่า นอกจากความโง่เขลาเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเมื่อเรามีกายกระสับกระสายอยู่จิตจกไม่กระสับกระสายท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ลำดับนั้นนกุลปิตาขหาดีชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคลุกจากอาสนะถวายอภิวาทกระทำประทักษิณแล้วเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ อภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควรท่านพระสารีบุตรได้ถามน ก, กุลปิตาข้าบดีดังนี้ว่าข้าบดีอินทรีของท่านผ่องใส ย, ยิ่งนักสีหน้าก็บริสุทธิ์ผุดผ่องวันนี้ท่านได้ฟังธรรมิกถาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคหรือไม่น ก, กุลปิตาข้าบดีตอบว่าท่านผู้เจริญทำไมจะไม่เป็นอย่างนี้เล่าบัดนี้ พระผู้มีพระภาคทรงหลังอมตะธรรมรถกระผมด้วยธรรมมีคทถาข้าบดีพระผู้มีพระภาคทรงหลังอมตะธรรมรถท่านด้วยธรรมมีคาถาอย่างไรท่านผู้เจริญกระผมก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งหน้าที่สมควรเด็กกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นผู้ชราสูงอายุ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 นอกจากความโง่เขลาเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเมื่อเรามีกายกระสับกระสายอยู่จิตจกไม่กระสับกระสายท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ท่านผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงหลังอมาตะธรรมรถกระผมด้วยธรรมมีคาถาอย่างนี้ขหาบดีก็ท่านไม่ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคให้ยิ่งขึ้นหรือว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรบุคคลจึงชื่อว่าเป็นผู้มีกายกระสับกระสายและชื่อว่ามีจิตกระสับกระสายและด้วยเหตุเพียงเท่าไรบุคคลจึงชื่อว่าเป็นผู้มีกายกระสับกระสายแต่ไม่ชื่อว่ามีจิตกระสับกระสายท่านผู้เจริญแม้กระผมมาจากที่ไกลก็เพื่อจะทราบเนื้อความแห่งพระพาสิทธนั้นในสำนักท่านพระสารีบุตรขอโอกาส เฉพาะท่านพระสารีบุตรเท่านั้นที่จะอธิบายเนื้อความแห่งพระพาสิทธนั้นให้แจ่มแจ้งข้าพเจ้าบดีถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวศักระยทิติยีสิบ นักุลปิตาขหาพดีรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าขหาพดีบุคคลชื่อว่าเป็นผู้มีกายกระสับกระสายและมีจิตกระสับกระสายเป็นอย่างไรคือปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการแนะ น, นําในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัต บ, บุรุรไม่ฉลาดในธรรมของสัต บ, บุุษ ไม่ได้รับการแนะนําในธรรมของสัตวพปรุษพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูปพิจารณาเห็นรูปในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในรูปดํารงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นรูปรูปเป็นเราเมื่อเขาดํารงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นรูปรูปเป็นเรารูปนั้นแปรผันเป็นอย่างอื่น เพราะรูปแปรผันเป็นอย่างอื่นโศกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ำครวนทุกความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจและอุปายากความขับแค้นใจจึงเกิดขึ้นแก่เขาพิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีเวทนาพิจารณาเห็นเวทนาในอัตตา หรือพิจารณาเห็นอัตตาในเวทนาดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นเวทนาเวทนาเป็นของเราเมื่อเขาดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นเวทนาเวทนาเป็นของเราเวทนานั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นเพราะเวทนาแปรผันและเป็นอย่างอื่นโซกะปริเทวะทุกโทมานต์และอุปาญาจึงเกิดขึ้นแก่เขา พิจารณาเห็นสัญญาด้วยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีสัญญาพิจารณาเห็นสัญญาในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในสัญญาดํารงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นสัญญาสัญญาเป็นของเราเมื่อเขาดํารงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นสัญญาสัญญาเป็นของเราสัญญานั้นแปรผันเป็นอย่างอื่น เพราะสัญญาแปรผันและเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุก์โทมนัสและอุปาญาตจึงเกิดขึ้นแก่เขาพิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีสังขารพิจารณาเห็นสังขารในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในสังขารดํารงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นสังขารสังขารเป็นของเรา เมื่อเขาดารงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นสังขารสังขารเป็นของเราสังขารนั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นเพราะสังขารแปรผันและเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุก์โทมนัสและอุปาญาจึงเกิดขึ้นแก่เขาพิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณพิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตา หรือพิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณดำ m รงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นวิญญาณวิญญาณเป็นของเราเมื่อเขาด âm รงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นวิญญาณวิญญาณเป็นของเราวิญญาณ น, นั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นเพราะวิญญาณแปรผันและเป็นอย่างอื่นโสกปริเทวทุกโทมานตและอุปาญาตจึงเกิดขึ้นแก่เขากหบดี บุคคลชื่อว่าเป็นผู้มีกายกระสับกระสายและมีจิตกระสับกระสายเป็นอย่างนี้แล<ง ranch>บุคคลแม้ชื่อว่าเป็นผู้มีกายกระสับกระสายแต่ไม่ชื่อว่ามีจิตกระสับกระสายเป็นอย่างไร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 หรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในรูปไม่ดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นรูปรูปเป็นของเราเมื่อพระอริยสาวกนั้นไม่ดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นรูปรูปเป็นของเรารูปนั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นเพราะรูปแปรผันและเป็นอย่างอื่นโศกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาต จึงไม่เกิดขึ้ น, กนแก่พระอริยสาวกนั้นไม่พิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีเวทนาไม่พิจารณาเห็นเวทนาในอัตตาหรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในเวทนาไม่ดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นเวทนาเวทนาเป็นของเราเมื่อพระอริยสาวกนั้นไม่ดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่า เราเป็นเวทนาเวทนาเป็นของเราเวทนานั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นเพราะเวทนาแปรผันและเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุก์โทมนัสและอุปาญาตจึงไม่เกิดขึ้นแก่พระอริยสาวกนั้นไม่พิจารณาเห็นสัญญาโดยความเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีสัญญาไม่พิจารณาเห็นสัญญาในอัตตา หรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในสัญญาไม่ดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นสัญญาสัญญาเป็นของเราเมื่อพระอริยสาวกนั้นไม่ดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นสัญญาสัญญาเป็นของเราสัญญานั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นเพราะสัญญาแปรผันและเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาต จึงไม่เกิดขึ้นแก่พระอริยสาวกนั้นไม่พิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีสังขารไม่พิจ ER ารณาเห็นสังขารในอัตตาหรือไม่พิจ er ารณาเห็นอัตตาในสังขารไม่ดํารงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นสังขารสังขารเป็นของเราเมื่อพระอริยสาวกนั้นไม่ดํารงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่า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 หรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณไม่ดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นวิญญาณวิญญาณเป็นของเราเมื่อพระอริยสาวกนั้นไม่ดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นวิญญาณวิญญาณเป็นของเราวิญญาณนั้นแปลผันเป็นอย่างอื่นเพราะวิญญาณแปรผันและเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาต จึงไม่เกิดขึ้นแก่พระอริยสาวกนั้นขหบดีบุคคลแม้ชื่อว่าเป็นผู้มีกายกระสับกระสายแต่ไม่ชื่อว่ามีจิตกระสับกระสายเป็นอย่างนี้แลท่านพระสารีบุตรได้กล่าวอย่างนี้แลนักกุลปิตาขหบดีมีใจยินดีชื่นชมพาสิทธิ์ของท่านพระสารีบุตรนักุลปิตุสูตรที่หนึ่งจบ 2. เทวทหสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่เทวทหนิคมข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะเทวทหนิคมของเจ้าสักยะทั้งหลายแคว้นสักกะครั้งนั้นภิกษุจำนวนมากผู้ต้องการจะไปยังปัจชา้าภูมชุนบทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่งนที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายต้องการจะไปยังปัตชาภูมะชนบทเพื่ออยู่อาศัยพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายบอกลาสารีบุตรแล้วหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายยังไม่ได้บอกลาท่านพระสารีบุตร ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงไปบอกลาสารีบุตรเสียก่อนสารีบุตรเป็นผู้อนุเคราะห์เพื่อนภิกษุผู้ประพฤติพรหมจรรย์ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคแล้วสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรนั่งอยู่ในมนดบเล็กๆซึ่งมีตะไคร่น้ําขึ้นปกคลุมแห่งหนึ่งในที่ไม่ไกลาจากพระผู้มีพระภาคลำดับนั้น พิสุเหล่านั้นชื่นชมยินดีพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคลุกจากอาสนะถวายอภิวาทกระทราประทักษิณแล้วพากันเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่เรืลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านพระสารีบุตร พวกกระผมต้องการจะไปยังปัตชาภูมชุนบทเพื่ออยู่อาศัยพวกกระผมกราบทูลลาพระาศาสดาแล้วท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายกษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตบ้างพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตบ้างข้าพดีผู้เป็นบัณฑิตบ้างสมณะผู้เป็นบัณฑิตบ้างผู้จะถามปัญหากับภิกษุผู้ไปยังประเทศต่ตางๆมีอยู่ หากคนผู้เป็นบัณฑิตใค ร, ร่รู้ถามว่าพระศาสดาของพวกท่านมีวาทะอย่างไรตราสอนอย่างไรทำทั้งหลายอันพวกท่านได้ฟังดีเรียนดีใส่ใจดีทรงจำดีรู้แจ้งดีแล้วด้วยปัญญาบ้างหรือพวกท่านเมื่อกล่าวอย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นผู้พูดตรงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตูพระผู้มีพระภาคด้วยคำเท็จ ชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลไม่มีคำกล่าวเช่นนั้นและการคล้อยตามที่จะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้ท่านขอรับแม้พวกกระผมมาจากที่ไกลก็เพื่อจะรู้เนื้อความแห่งพระภาสิทธนั้นในสำนักท่านสารีบุตรขอโอกาสเฉพาะท่านสารีบุตรเท่านั้นที่จะอธิบายเนื้อความแห่งพระพาสิทธนั้นให้แจมแจ้งท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าเช่นนั้น ท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีผมจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็กริย์ผู้เป็นบัณฑิตบ้างพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตบ้างข้าพอดีผู้เป็นบัณฑิตบ้างสมณะผู้เป็นบัณฑิตบ้างผู้จะถามปัญหากับภิกษุผู้ไปยังประเทศต่างๆมีอยู่ หาคนผู้เป็นบัณฑิตใครรู้ถามว่าพระศาสดาของพวกท่านมีวาทะอย่างไรตรัสสอนอย่างไรท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงตอบอย่างนี้ว่าพระศาสดาของเรามีปกติตรัสสอนให้กำจัดฉันทราคะแม่เมื่อท่านทั้งหลายได้ต่อไปอย่างนี้ก็จะพึงมีกษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตบ้างพราหมผู้เป็นบัณฑิตบ้างขหาดีผู้เป็นบัณฑิตบ้าง สมณะผู้เป็นบัณฑิตบ้างถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปหากคนผู้เป็นบัณฑิตใครรู้ถามว่าก็พระศาสดาของพวกท่านมีปกติตรัสสอนให้กาจัดฉันทราคะในสิ่งไรเล่าท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงตอบอย่างนี้ว่าพระศาสดามีปกติตรัสสอนให้กาจัดฉันทราคะในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขาร พระศาสดามีปกติตรัสสอนให้กาจัดชันทราคะในวิญญาณแม้เมื่อท่านทั้งหลายได้ต่อไปอย่างนี้ก็จะพึงมีกษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตบ้างพราหม์ผู้เป็นบัณฑิตบ้างขหบดีผู้เป็นบัณฑิตบ้างสมณะผู้เป็นบัณฑิตบ้างถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปหากคนผู้เป็นบัณฑิตใครรู้ถามว่าก็พระศาสดาของพวกท่าน ทรงเห็นโทษอะไรจึงตรัสสอนให้กำจัดฉันทราคะในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารจึงตรัสสอนให้กำจัดฉันทราคะในวิญญาณท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงตอบอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลยังไม่ปราศจากความกําหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อน ไม่ปราศจากความทยานอยากในรูปเพราะรูปนั้นแปรผันและเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาจึงเกิดขึ้นเมื่อบุคคลยังไม่ปราศจากความกำหนัดในเวทนาเมื่อบุคคลยังไม่ปราศจากความกำหนัดในสัญญาเมื่อบุคคลยังไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความทยานอยากในสังขาร เพราะสังขารเหล่านั้นแปรผันและเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาตจึงเกิดขึ้นเมื่อบุคคลยังไม่ปราศ จ, จากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความทยานอยากในวิญญาณเพราะวิญญาณนั้นแปรผันและเป็นอย่างอื่น โศกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตจึงเกิดขึ้นพระศาสดาของพวกเราทรงเห็นโทษนี้แลจึงตรัสสอนให้กำจัดชันธราคะในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารจึงตรัสสอนให้กำจัดชันธราคะในวิญญาณแม้เมื่อท่านทั้งหลายได้ต่อไปอย่างนี้ก็จะพึงมีกษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตบ้างพราหม์ผู้เป็นบัณฑิตบ้าง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 ท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงตอบอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทยานอยากในรูปเพราะรูปนั้นแปรผันและเป็นอย่างอื่นโศกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตจึงไม่เกิดขึ้น เมื่อบุคคลปราศจากความกำหนัดในเวทนาเมื่อบุคคลปราศจากความกำหนัดในสัญญาเมื่อบุคคลปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทยานอยากในสังขารเพราะสังขารเหล่านั้นแปรผันและเป็นอย่างอื่นโสกะบริเทวะทุกข์ โทมนัสและอุปาญาตจึงไม่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทยานอยากในวิญญาณเพราะวิญญาณนั้นแปรผันและเป็นอย่างอื่นโศกปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตจึงไม่เกิดขึ้นพระาศาสดาของพวกเรา ทรงเห็นอนิสงส์น้แล่จึงตรัสสอนให้กำจัดฉันทราคะในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารจึงตรัสสอนให้กำจัดฉันทราคะในวิญญาณท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อบุคคลเข้าถึงอากุศลธรรมทั้งหลายอยู่จะมีการอยู่เป็นสุขไม่ลำบากไม่ขับแค้นไม่เดือดร้อนในปัจจุบันนี้และหลังจากตายแล้วพึงหวังได้สุคติ พระผู้มีพระภาคก็จะไม่ทรงสันเสริญการและอกุศลธรรมทั้งหลายไว้แต่เมื่อบุคคลเข้าถึงอกุศลธรรมทั้งหลายอยู่จึงมีการอยู่เป็นทุกข์ลำบากรับแค้นใจเดือดร้อนในปัจจุบันนี้ทีเดียวและหลังจากตายแล้วพึงวังได้ทุกขติฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงสันเสริญการและอกุศลธรรมทั้งหลายไว้ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย เมื่อบุคคลเข้าถึงกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ก็จะมีการอยู่เป็นทุกข์เดือดร้อนครับแค้นใจเร่าร้อนในปัจจุบันทีเดียวและหลังจากตายแล้วพึงหวังได้ทุกขติพระผู้มีพระภาคก็จะไม่ทรงสรรเสริญความถึงพร้อมกุศลธรรมทั้งหลายไว้แต่เมื่อบุคคลเข้าถึงกุศลธรรมทั้งหลายจึงมีการอยู่เป็นสุขไม่เดือดร้อนไม่คับแค้นใจ ไม่เร่าร้อนในปัจจุบันนี้ทีเดียวและหลังจากตายแล้วพึงหวังได้สุคติฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงสรรเสริญความถึงพร้อมกุศลธรรมทั้งหลายไว้ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมภาสิทธิ์ของท่านพระสารีบุตรเทวทหสูตรที่สองจบ ฮาลิติกานิสูตรว่าด้วยฮาลิติกานิข้าพดีข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระมหากัจจานะอยู่ณภูเขาที่มีหน้าผาสูงชันเขตเมืองกุรคระแคว้นอวันตีครั้งนั้นข้าพดีชื่อฮาลิติกานิเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่อภิวาสตแล้วนั่งณที่สมควร ได้ถามท่านพระมหาการณดังนี้ว่าท่านผู้เจริญพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพาสิทธินี้ในมาคันธิยะปัญหาอันมาในอัตกะวักว่าบุคคลละที่อยู่แล้วไม่เที่ยวซ่านไปหาที่อาศัยมูนีไม่ทำความเยื่อใยในบ้านว่างจากการทั้งหลายไม่มุ่งหวังอัตภาพต่อไปไม่พึงกล่าวถ้อยคาขัดแย้งกัน ข้าแต่ท่านมหากัจจานะผู้เจริญเนื้อความแห่งพระภาสิตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อนี้พึงทราบโดยพิสดารอย่างไรท่านพระมหากัจจานะตอบว่าข้าพดี รูปธาตุเป็นที่อาศัยแห่งวิญญาณวิญญาณที่ผูกพันกับราคะในรูปธาตุตรัสเรียกว่าผู้เท like <c oughs> Lic <c oughs> ี่ยวสั <c oughs ENS> <c oughs> ้นไปหาที่อยู่เวทนาธาตุเป็นที่อาศัยแห่งวิญญาณวิญญาณที่ผูกพันกับราคะในเวทนาธาตุตรัสเรียกว่าผู้เที่ยวสั้นไปหาที่อยู่สัญญาธาตุเป็นที่อาศัยแห่งวิญญาณวิญญาณที่ผูกพันกับราคะในสัญญาธาตุ ตรัสเรียกว่าผู้เที่ยวซ่านไปหาที่อยู่สังขารธาตุเป็นที่อาศัยแห่งวิญญาณวิญญาณที่ผูกพันกับราคะในสังขารธาตุตรัสเรียกว่าผู้เที่ยวซ่านไปหาที่อยู่ขหบดีบุคคลผู้เที่ยวซ่านไปหาที่อยู่เป็นอย่างนี้แหล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 อุบายและความยึดมั่นอันเป็นเหตุให้ใจเข้าไปตั้งมั่นถือมั่นและนอนเนื่องในวิญญาณธาตุพระตถาคตทรงละได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ฉะนั้นบัณฑิตจึงเรียกพระธถาคตว่าผู้ไม่ทรงเที่ยวซ่านไปหาที่อยู่ ข้ดีบุคคลผู้ไม่เที่ยวซ่านไปหาที่อยู่เป็นอย่างนี้แหลบุคคลผู้เที่ยวซ่านไปหาที่อาศัยเป็นอย่างไรคือความเที่ยวซ่านไปหาและความผูกพันกับที่อาศัยคือรูปอนิมิต ตรัสเรียกว่าผู้เที่ยวส่้นไปหาที่อาศัยความเที่ยวส่้นไปหาและความผูกพันกับที่อาศัยคือสัทนิมิตคันธนิมิตรสนิมิตโพธ พ, พนิมิตธรรมนิมิตตรัสเรียกว่าผู้เที่ยวสั้นไปหาที่อาศัยขหบดีบุคคลผู้เที่ยวสั้นไปหาที่อาศัยเป็นอย่างนี้แหล บุคคลผู้ไม่เที่ยวซ่านไปหาที่อาศัยเป็นอย่างไรคือความซ่านไปหาและความผูกพันกับที่อาศัยคือรู ป, ปนิมิตรพระธาคตทรงละได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ฉะนั้นบัณฑิตจึงเรียกพระตธาคตว่าผู้ไม่ทรงเที่ยวซ่านไปหาที่อาศัย ความซ่านไปหาและความผูกพันกับที่อาศัยคือสัทานิมิตคันธานิมิตรสนิมิตโพธพานิมิตธรรมนิมิตพระตถาคตละได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ฉะนั้นบัณฑิต จ, จึงเรียกพระตถาคตว่าผู้ไม่ทรงเที่ยวซ่านไปหาที่อาศัย พระหาดีบุคคลผู้ไม่เที่ยวสร้านไปหาที่อาศัยเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้เกิดความเยื่อยายในบ้านเป็นอย่างไรเคยภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้เกี่ยวข้องอยู่กับครหัต เลือเพลินร่วมกันเศร้าโศกร่วมกันเมื่อพวกเขาสุข ก, ก็สุขด้วยเมื่อพวกเขาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยเมื่อพวกเขามีกิจที่ควรทําเกิดขึ้นก็ลงมือช่วยเหลือด้วยตนเองขหาบดีบุคคลผู้เกิดความเยื่อใหยในบ้านเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้ไม่เกิดความเยื่อใหยในบ้านเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ไม่เกี่ยวข้องอยู่กับขรหัต ไม่เพลิดเพลินร่วมกันไม่เศร้าโศกร่วมกันเมื่อพวกเขาสุขก็ไม่ได้สุขด้วยเมื่อพวกเขาทุกข์ก็ไม่ได้ทุกข์ด้วยเมื่อพวกเขามีกิจที่ควรทำเกิดขึ้นก็ไม่ลงมือช่วยเหลือด้วยตนเองขหาบดีบุคคลผู้ไม่เกิดความเยื่อายในบ้านเป็นอย่างนี้แล คนผู้มีว่างจากกรมทั้งหลายเป็นอย่างไร <C Trans l ates> คือภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความทยานอยากในกรมทั้งหลายขหาบดีบุคคลผู้มีว่างจากการมทั้งหลายเป็นอย่างนี้แล บุคคลผู้ว่างจากกรมทั้งหลายเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทยานอยากในกรมทั้งหลายขหาบดี ah adi, บุคคลผู้ว่างจากกรมทั้งหลายเป็นอย่างนี้แหล บุคคลผู้มุ่งหวังอัตภาพต่อไปเป็นอย่างไรเคอภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้มีความมุ่งหวังอย่างนี้ว่าในอนาคตการเราพึงมีรูปอย่างนี้ในอนาคตการเราพึงมีเวทนาอย่างนี้ในอนาคตการเราพึงมีสัญญาอย่างนี้ในอนาคตการเราพึงมีสังขารอย่างนี้ในอนาคตการเราพึงมีวิญญาณอย่างนี้ ขาพบดี granted, บุคคลผู้มุ่งหวังอัตภาพต่อไปเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้ไม่มุ่งหวังอัตภาพต่อไปเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ไม่มีความมุ่งหวังอย่างนี้ว่าในอนาคตการเราพึงมีรูปอย่างนี้ในอนาคตการเราพึงมีเวทนาอย่างนี้ในอนาคตการเราพึงม like ีสัญญาอย่างนี้ ในอนาคตการเราเพึ่งมีสังขารอย่างนี้ในอนาคตการเราเพึ่งมีวิญญาณอย่างนี้ขหพบดีบุคคลผู้ไม่มุ่งหวังอัตภาพต่อไปเป็นอย่างนี้แล ุคคผู้กล่าวถ้อยคาขัดแย้งกันเป็นอย่างไรค like ือภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้กล่าวถ้อยคําเห็นปานี้ว่าท่านไม่รู้พระธรรมวินัยนี้เรารู้พระธรรมวินัยนี้ท่านรู้พระธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดเราปฏิบัติถูกคําที่ควรกล่าวก่อนท่านก็กล่าวทีหลัง ค, งคําที่ควรกล่าวทีหลังท่านก็กล่าวก่อน คำของเรามีประโยชน์คำของท่านไม่มีประโยชน์ข้อที่ท่านเคยปฏิบัติมาผิดเสียแล้วเราเกล่าวหาท่านท่านจงแก้ข้อกล่าวหาเสียเราข่มท่านได้แล้วหรือหากท่านสามารถก็จงแก้ไขเถิดข้าดีบุคคลผู้กล่าวถ้อยคำขัดแย้งกันเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้ไม่กล่าวถ้อยคำขัดแย้งเป็นอย่างไร